อ๋รขจรพรอ่ะคุครูละผู้ปะครองเสียงเข้ามา ขอโมทนาที่ทุกท่านได้สลับเวลามาฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมในโอกาสเดียอะกันด้วยเสิ่งที่พูดต่อไปนี้มันก็หนีไม่พ้นเรื่องชีวิตของเราแล้วเมื่อพูดถึงเรื่องชีวิตแล้วเนี่ยนะความจริงอย่างนี้คือว่าชีวิตของเราเนี่ยก็มีทั้งสุขและทุกข์ความสุขและทุกข์ มเป็นส่วนของชีวิตถ้าถามว่าเรารู้สึกกับสุขและทุกข์อย่างไรเนี่ยอาตมาชื่วยหลายคนตอบได้โดยที่ไม่ต้องคิดก็คือเรารักสุขเกลียดทุกข์ถ้าทุกคนนะ่ะนะมีความรู้สึกที่ชัดเจนต่อความสุขและความทุกข์รักสุขและเกลียดทุกข์ ให้ความรักสุขเกลียดทุกเนี่ยมันมีประโยชน์นะมันทำให้เราพยายามหนีห่างจากอันตรายพยายามที่จะป้องกันตัวจากภายัยคุกคามไม่ว่าจะเป็นสัตว์ร้ายไม่จะเป็นเชโรครวมทั้งความยากลำบาก น, นะในชีวิตอุปรสรรคทั้งปวงและมันทำให้เรามีจุดมุ่งหมายในการดาเนินชีวิต ก็คือเพื่อที่จะแสวงหาและพบ ก, กับความสุขแต่แล้วก็ตามความรู้สึกที่ว่าเนี่ยบางครั้งมันก็ก่อปัญหาให้กับเราให้ความรักสุขเกลียดทุกข์เนี่ยเรือตัวอย่างง่ายๆเนี่ยลูกของเราหลานของเราเนี่ยก็ความเกลียดทุกข์เนี่ยเขาไม่เขาไม่อยากทากับบ้านใช่ไ้การบ้านที่มันยากมันต้องมานั่งล้างโขลดล้างแท็ง มันเป็นความลําบากเป็นความยากเป็นความทุกข์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะเขาก็ไม่อยากทำการบ้านและในทํานองเดียวกันเนี่ยเพราะเขารักสุขเนี่ยระหว่างการบ้านกับการเล่นเด่นเกมออนไลน์หรือว่าคุยสนุกสนานกับเพื่อนคุยโทรศัพท์กับเพื่อนเนี่ยมันเป็นความสุขความสบายเพราะความรักสุขนี่แหละนะก็ทําให้เขาเนี่ย ยิ่งนะไม่สนใจทำกันบ้านไม่สนใจอ่านหนังสือไม่สนใจเตรียมสอบหรือว่าไม่สนใจช่วยงานบ้านเพราะความรับสู่ทำให้เด็กเนี่ยนะอยากจะกินของหวานแล้วก็ไม่ชอบกินผักนะผักมันขมใช่ไหมของหวานน้ำหวานอร่อย แล้วก็กินแต่ของพวกนี้แหละนะของที่มันหวานนะหรือว่าของที่มันอร่อยซึ่งบางครั้งประมาณในรูปของอาหารขยะจังฟู้เนี่ยรูปเราหล่ะแล้วก็กินกินเพราะความรักสุขนี่หลยผักเพิร์กอะไรไม่กัดเลยนะก็มีปัญหาสุขภาพนะาการออกกําลังกายเป็นของดีเราก็รู้ใช่ไหมแต่มันเหนื่อย เพราความเกลียดทุกข์นี่นแหละทำให้ลูกหลานเราไม่ชอบออกกํำลังกายสู้นั่งเล่นนอนเล่นอยู่บนโซฟาดูโทรทัศน์นะหรือว่าก้มหน้าดูโทรศัพท์ดีกว่ามันะสบายนั่นเด็กของเราลูกของเราหลานของเราก็เลยอาจจะมีสุขภาพไม่ค่อยดีนะบางคนก็อ้วนเอาอ้วนเอาเพราะว่าไม่อยอออกกาลังกายก็เพราะความเกลียดทุกข์เนี่ยแล้วก็ลักสุข อันนี้ก็เป็นปัญหาของพ่อแม่และผู้ใหญ่ด้วยอ ต, ตัวอย่างที่พูดมานี่ก็มาใช้ได้กับผู้ใหญ่ได้เหมือนกันออกกําลังกายเราก็รู้ออกกําลังกายเนี่ยเป็นของดีนะไม่ว่าจะเป็นการวิ่งจ็อกกิ้งการว่ายน้ําหรือไม่แต่การเดินแต่พ่อไม่อยากเหนื่อยนะเราก็เลยเลือกที่จะนั่งรถไปไหนก็นั่งรถนะแทนที่จะเดิน แทนที่จะขึ้นบันไดก็ใช้ลิฟต์นะหรือว่ากลับมาบ้านก็แทนที่จะวิ่งจ็อกกิ้งก็มานั่งแช่นะอยู่หน้าอจอจอโทรทัศน์บางทีลูกกับพ่อแม่ก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะในเรื่องการใช้ชีวิตนะหลายคนก็รู้นะว่าบุรีเหล่านี่มันไม่ดีแต่เพราะความรักสุขเนี่ยเกลียดทุกเนี่ยทาให ไม่ยอมเลิกบุหรี่ไม่ยอมเลิกเหล้าสักทีเพราะว่าการเลิกเนี่ยมันมายถึงความทุกข์บางคนอาจจะถึงขั้นลงแดงเกลียดนะเกลียดทุกข์เกลียดภาวะลงแดงเกลียดความกระสรับกระส่ายที่เกิดขึ้นจากการที่จะต้องเลิกหรือหักดิบการที่ถ้าสูบถ้ากินเหล้าเออมันสบาย ความรักสุขนี่แหละก็ทำให้ไม่ยอมเลิกสักทีและสุดท้ายก็ต้องล้มเจ็บหรือว่าล้มหายตายจากไปเพราะเล่าหรือบุหรี่ที่ตัวเองเลิกไม่ได้อันนี้ก็เป็นเพราะความรักสุขเกลียดทุกเหมือนกันดูดีๆเ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะ ใช้แค่ความรู้สึกนะในการเกี่ยวข้องกับสุขและทุกเนี่ยมันไม่เพียงพอนะมันอาจเป็นโทษได้เราต้องใช้ปัญญาด้วยใช้ปัญญาในการเกี่ยวข้องกับสุขและทุกนะอย่าใช้ความรู้สึกล้วนๆนะในการใช้ปัญญาเนี่ยหรือจะเรียกว่าใช้เหตุใช้ผลก็ได้ ในการเกี่ยวข้องกับสุขและทุกเนี่ยนะมันทำได้อย่างไรตรงนี้ผู้จ่านี่ท่านก็ได้วางแนวทางเอาไว้นะวางเอาไว้สี่ประการนะซึ่งฟังดูแล้วเนี่ยมันก็มีเหตุมีผลและหลายคนก็จะรู้สึว่าเออเราก็ทำอยู่แล้วนี่ เช่นข้อแรกเนี่ยผเจ้าบอกว่าอย่าเอาทุกมาทับถมตนนะคือชีวิตของเราเนี่ยทุกวันนี่มันก็ทุกอยู่แล้วนะนะกินข้าวนะมันก็ต้องทายนะความทุกข์ที่เกิดจากธรรมชาติของร่างกายเนี่ยนะมันมีอยู่แล้วแม้จะไม่ต้องทำงานทำการเลยเนี่ยมันก็มีอยู่แล้ว แค่นั่งตรงนี้เนี่ยมันก็เมื่อยแล้วนะอันนี้ก็เป็นทุกแบบนี้และไม่ว่าเราจะนั่งในท่าที่สบายแค่ไหนแลายคนบอกว่านั่งขัดสมาดนี้ไม่สบายนั่งเหยียดขาสบายกว่าแต่ลองนั่งในท่านั่งดูสักพักเนี่ยสิบนาทียี่สินาทีก็จะสเมื่อยขออนั่งเก้าอี้ได้ไหมนั่งเก้าอี้สบายนะแต่ถ้าไม่มีเก้าอี้ ถ้าเก้าอี้ไม่มีพ น, นักก็จะเมื่อยอีกขอนั่งเก้าอี้ที่มีพ น, นักได้ไหมแต่สมาเชื่อว่าถ้าเรานั่งเก้าอี้ที่มีพ น, นักเนี่ยนะไม่เกินชั่วโมงก็จะเมื่อยฉั้นขอนอนดีกว่าแต่เราก็จะพบว่าเรานอนไปได้สักสองสามชั่วโมงหรือไม่ถึงด้วยซ้ำํำเราก็จะเมื่อยนี่คือเหตุผลว่าทําไมเวลานอนเราถึงพลิกตัวบางคนพลิกตัวโดวยไม่รู้ตัวพอะหลับไปแล้ว แต่ว่าถ้าเอากล้องวงจรปิดมาถ่ายก็จะพบว่าวันหนึ่งเนี่ยเราตื่กตัวในท่า น, นอนเนี่ยนะบ่อยมากแปลว่าอะไรแปลว่าเราเมื่อยแค่นี้เนี่ยมันก็ทุกอยู่แล้วนะคนเราเนี่ยแม้แต่กินข้าวซึ่งใครๆก็ชอบนะการการกินเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสุขแต่เสร็จแล้วมันก็ปวดนะต้องถ่ายไม่ว่าจะเป็นทายน้ำถ่ายบนอะลนี่ก็ทุกอีกเหมือนกันเราจึงเรียกห้องที่ถ่ายหนักถ่ายแปลว่าห้องสุขขาใช่ไหม เขาถายแล้วมันมีความสุขเนไงแต่ถ่ายเสร็จก็หิวใหม่ก็ต้องกินนะถ้าไม่กินก็ทุกนะอันนี้คือความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับสังขารร่างกายละาอื่นแล้ ว, ลวเพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะหาทุกข์มาใส่ตัวไม่ควรจะเอาทุกข์มาทับถมตนอันนี้บางคนเข้าใจว่าการไม่เอาทุกข์มาทับถมตนก็คือการไม่ทรมานตนอย่างรู้สิชีพภัย ซึ่งผู้เจ้าได้ปฏิเสธมันแล้วกรรมาเป็นทุกขารกิริยา <Yeah. S 1> แน่นอนเราไม่ควรจะเดินแล้วไปยืนกลางแดด yeah. อันนี้มันเป็นการหาทุกข์มาใส่ตัว <Yeah. S 1> แต่ถ้าจำเป็นจะต้องทำ <Yeah. S 1> เช่นชาวไร่ชาวนาสมัยก่อนเนี่ย <Yeah. S 1> ก, ก็ต้องยืนตากแดด หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินอันนี้มันเป็นความจำเป็นถ้าไม่ทำก็อดตายแต่ถึงแม้ว่าหลายคนเนี่ยจะไม่ทรมานตนในลักษณะที่ผู้เจ้าได้เคยทำมาแล้วนะแต่เราจะหาทุกข์มาทับผมตนในลักษณะอื่นด้วยก็ได้ เช่นการกินเหล้าสูบบุหรี่เนี่ยนะมันก็เป็นการหาทุกข์มาใส่ตัวในลักษณะหนึ่งเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นการเชื้อเชิญโรคภัยไข้เจ็บให้กับตัวเองมันคือการตายผ่อนส่งอีกแบบหนึง่งและความหมายของการไม่หาทุกข์มาทำผมผลเนี่ยมันจึงมีความหมายที่ละเอียดที่ ลึกซึ้งกว่าที่เราเข้าใจมันไม่ใช่เป็นแค่การทรมานตนแบบือสีชี้ไพร่มันอาจจะลอดมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราได้ทำเป็นกิจวัตรอยู่แล้วแต่เราไม่รู้ตัวหรือเราไม่คิดว่าเป็นการเอาทุกข์มาทับถมตนหลายคนก็บอกฉันก็ไม่ได้สูบบุหรี่ฉันก็ไม่ได้กินเหล้าฉันก็ไม่ได้ หาเรื่องมาใส่ตัวนะแต่แน่ใจหรือเปล่านะการไม่มีศีลหรือการทำบาปเนี่ยมันก็เป็นการหาทุกมาใส่ตัวอีกแบบหนึ่งผู้เจ้าตรัสว่าคนพ่านปัญญาสามย่อมไม่ทำเอาคนพ่านปัญญาสามย่อมทำกับตัวเองเหมือนเป็นศัตรู คนพันปัญญาสามย่อมทำกับตัวเองเหมือนเป็นศัตรูใครๆก็บอกว่าชัญรักตัวเองฉาญรักตัวเองแต่บ่อยครั้งเนี่ยเราอาจจะทําร้ายตัวเองก็ได้เราจะทํำร้ายตัวเองด้วยการกินเหล้าสูบบุหรี่หรือเข้าหาสิ่งเสพติดแล้วเราจะทําร้ายตัวเองด้วยการผิดศีล น, นะหมายถึงการไปเบียดเบียนผู้อื่นไอ้ศีลห้าข้อเนี่ย สี่หาทั้งท้าประกาศเนี่ยมันรู้แล้วจะเป็นการควบคุมกายวาจาไม่ให้ไปเบียดเบียนผู้อื่นเพราะว่าถ้าไปเบียดเบียนผู้อื่นเนี่ยสุดท้ายมันจะเป็นการเชื้อเชิญความทุกข์มาใส่ตัวนะไปฆ่าสัตว์ไปรักขโมยนะไปกระพิบปีนในการโกหกหรือการเสพสุรายาเมาเนี่ยสุดท้ายปลายทางแล้วมันคือการหาทุกข์มาใส่ตัว เพราะเมื่อทำชั่วไปเบียดเบียนผู้อื่นก็ย่อมถูกเขาตอบโต้แก้แค้นหรือว่าถูกจับติดคุกติดตารางนะกินเหล้าอาจจะไม่ทำให้ติดคุกติดตารางแต่ จ, จะทำให้เจ็บป่วยหรือทำให้พิพการได้นะเพราะว่าเกิดอุ ป, ปัติเหตุลดความรถชนนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการหาทุกข์มาใส่ตัว หรือเอาทุกมาทับถมตนได้อีกลักษณะหนึ่งหลายคนจะบอกว่าฉันก็รักษาศีลนะแต่ต้องถามต่อไปว่ารักษาศีลแล้วรักษาใจด้หรือเปล่ารักษาศีลเนี่ยไม่รักษาใจก็มีปัญหานะรักษาศีลเนี่ยก็คือการที่ดูแลกายวาจาไม่ให้ไปเบียเดเบียนผู้อื่น แต่ว่าถ้าไม่รักษาใจเนี่ยอาจจะทุกข์ก็ได้เป็นความทุกข์ใจไม่รักษาใจเนี่ยหมายความว่าย่างไรเอา ง, ง่ายๆเนี่ยสมมติว่าของหายหรือว่าเงินถูกโกงอันนี้ก็เป็นความทุกข์แบบหนึ่งนะพลาดพลาดจากสิ่งที่รักที่พอใจอย่างที่เราสวดกันคำว่าเช้า เงินหายรถถูกขโมยทรัพย์ถูกโกงไปถ้าเราไม่รักษาใจนะเราจะไม่เสียแต่ทรัพย์ใจเราก็จะเสียเสียความสุขใจเอาแต่คิดถึงของที่หายไปเสียใจเสียดายแล้วก็โกรธอาจจะโกรธคนที่เอาไปแล้วโกรธตัวเองว่าทำไม ปล่อยให้เขาเอาไปได้นะเสียใจเนี่ยไม่พอนะพอกินไม่ได้นอนไม่หลับก็เสียสุขภาพปนะ่วยบางคนของหายของรักของหายหายเนี่ยป่วยเลยสุดเลยนะคุณยายคนหนึ่งทำสร้อยนะ สร้อยคอหายสร้อยคอที่ได้รับตกทอมาจากพ่อแม่บางทีอาจจะถอยลงไปถึงปู่ย่าตายยารักมากเสร็จแล้ววันถึงมันหายคนใช้นะนะไม่รู้ทำอีท่านไหนกวาดตกลนหายไปเลยสุดเลยนะสุดเลยหลานบวชพระเนี่ย ได้ข่าวว่ายายป่วยหนักก็รีบนะสัตตาหะช่วงนั้นเป็นช่วงข้าวพรรษาสัตตาหะคือว่าลาลากิจนะมาดูใจยายประกอบข้อยายไม่ได้ป่วยเป็นโรคอะไรยายอกหักเพราะว่าของรักของห่วงมันหายไปอันนี้เรียกว่าเสียใจไม่พอนะเสียสุขภาพนะแล้วพอเสียสุขภาพนะหรือถึงแม้ไม่เสียสุขภาพเนี่ยแต่พอ เสียใจแล้วเนี่ยมันก็ไม่เป็นอันทำงานนะใจไม่อยู่กับงานแล้วเกิดอะไรขึ้นทำงานก็ทำงานไม่ได้เสียงานถูกเจ้านายว่าหรือว่างานล้มเหลวเสียหายตามมาอีกมากมายเสียสามแล้วนะเสียใจเสียสุขภาพเสียงานไม่มีเสียเพื่อนนะหงุดหงิดไม่มีอารมณ์ นะหรือว่าอารมณ์เสียเพื่อนมาย้อมมาหยอกแต่ก่อนก็หยอกเลาะตอบโต้กลับไปแต่คราวนี้ไม่มีอารมณ์แล้วก็ด่ากลับไปแทนทะเลาะเบาแวงกันกลายเป็นเรื่องใหญ่โตเสียเพื่อนอีกนะบางคนดังกันนคือเสียผู้เสียคนเสียของเนี่ยเสียเงินเนี่ยคนอื่นทาคนอื่นเอาไป แต่ว่าเสียใจเสียสุขภาพเสียงานเสียเพื่อนเสียผู้เสียคนเนี่ยเราทำเองทั้งนั้นอันนี้เรียกว่าซ้าเติมตัวเองนะแทนที่จะเสียแค่หนึ่งก็เสียอีกสี่เพราะอะไรเพราะไม่รักษาใจรักษาแต่ศีลฉันไม่ขโมยฉันไม่ไปฆ่าสัตว์นะฉันไม่แย่งชิงความรักคนอื่นนะแต่ว่า พอรักษาแต่สิ่ไม่รักษาใจนะมันก็กลายเป็นว่าซ้ำเติมตัวเองนี่เรียกว่าเอาทุกมาทับถมตนจากเดิมที่เสียแค่หนึ่งนะก็เสียสืบเนื่องเป็นลูกโซ่นะอีกสี่อีกห้า อ, อ, อันนี้ใช่ไหมที่เรากำลังทำลายตัวเอง เรากำลังทำร้ายตัวเองไม่ใช่แค่เรื่องเสียทรัพย์อาจจะอาจจะงานล้มเหลวนะงานไม่เป็นไปอย่างที่ต้องการนะก็เหมือนกันนะเสียใจนะและก็จะเสียสุขภาพเสียงานเสียเพื่อนเจอเหตุร้ายเกี่ยวกับ <Jub ilee> คนรักนะเขาล้มหายตายจากหรือว่าเขาทิ้งเราไปอกหักก็เหมือนกันนะแทนที่จะเสียหนึ่งก็เสียสองเสียสามเสียสี่ไอ้ที่เกิดขึ้นเนี่ยกับการสูญเสียภายหลังม่ว่าจะเป็นเสียใจเสียสุขภาพเสียงานเสียเพื่อนเสียผู้เสียคนพวกเนี้ยมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นนะแต่เราก็มักจะปล่อยให้มันเกิดขึ้นกับเรา เราก็ไปโทษ ค, คนนั่นคนนี้ว่าเขาขโมยของของเราเขาโกงเงินเราไปแต่เราไม่เคยกลับมามองตัวเราเองเลยว่าเรากําลังทําร้ายตัวเองเรากําลังซ้ําเติมตัวเองหรือเปล่าอย่างที่พระเจ้าบอกว่ายาทุ่งมาทับถมตนเนี่ยมันมีความหมายตรงนี้เลยนะมันไม่ใช่แค่โอ๊ยฉันไม่ได้ไปทรมานตนนะฉันไม่ได้ไปนอนอยู่บนน้ํา ฉันไม่ได้เอาหัวโขกพื้นอันนี้แล้วว่าฉันทำข้อนี้แล้วนะแต่ที่จริงเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ทำเลยเพราะเราเอาแต่ทับถมตนแม้จะไม่เกิดเหตุการณ์เหล่านี้เลยนะแต่เวลานั่งอยู่เฉยๆเนี่ยบางทีใจก็ลอยใจลอยนไปนึกถึงอดีตที่เจ็บปวดความสูญเสียความพิด ความผิดพลาดพลั้งเผลอที่ตัวเองทำกับผู้อื่นก็คุณเกิดความรู้สึกผิดนึกถึงคําตอว่าด่าทอคนอื่นเกิดความรู้สึกโกรธอยู่เฉยๆไง น, นะแม้จะ่อยู่ในห้องแอร์เนี่ยจิตใ จ, จมันก็กร่อยขึ้นมาเลยจิตใ จ, จมก็รุ่มร้อนรู้สึกหนักอึ้งรู้สึกผิดติดค้างใจเหมือนกับมีแรมกรีดแทงอย่างนี้แล้วเอาทุกมาทับถมตนนะบางทีไม่ได้คิดถึงดีตเป็นเรืถึงอนาคต นึกถึงงานที่ยังไม่เสร็จหรือว่านึกถึงนี่ที่ยังไม่ได้ชําระทุกวันนี้ก็ทํางานหนักอยู่แล้วเพื่อมาใช้นี่แต่พอไปนึกถึงนี่ที่ยังไม่ได้ผ่อนไม่ได้ส่งหนักใจอัน <c oughs> นี้ก็เรียกว่าซ้ำเติบตัวเองนะเพราะว่าจริงๆก็ทํางานเหนื่อยอยู่แล้วก็ยังหาเรื่องมาทับถมตนหาอะไรต่ออะไรมาซ้ําเติมตัวเอง เราไม่ได้ทำร้ายตัวเองด้วยด้วยการกินสิ่งที่เป็นโทษเราไม่ได้ทำร้ายตัวเองด้วยการเอามีดมา ก, กรีดร่างกายตัวเองแต่เราทำร้ายตัวเองด้วยใจด้วยใจที่ด้วยใจที่ไม่มีสติเป็นเครื่องรักษา ใจที่เราเหเล่ร่อนใจที่ไปคิดเลื่อยเปื่ยจนกระทั่งสุดท้ายก็เอาทุกเนี่ยมาทับถมตนเราทำางนี้บ่อยๆนะวันหนึ่งเนี่ยเราทำางนี้หลายครั้งนั่งรถรถติดเสียเวลาแทนที่จะเสียเวลาเนะเราปล่อยให้ใจเราเสียมุดงิด เสียเวลาเลยนะยังเสียสุขภาพจิตอีกการที่เราปล่อยจะให้หมุดหิดเนี่ยมันก็คือการซ้ำเติมตัวเองแทนที่เราจะาเวลาแทนที่เราจะใช้เวลาให้เกิดประโยชนออ์ในเมื่ออยู่บนถนน5นาที10นาทีครึ่งชั่วโมงเราก็ใช้เวลานี้เนี่ยในการทำความสงบให้กับจิตใจเช่นะจมตานลมหายใจ หรือใช้เวลาที่สนทนาคนในบ้านที่นั่งรถมาด้วยกันมีมีคนหนึ่งนักแกชอบสอนลูกให้รู้จักมองแง่บูกวันหนึ่งเจอรถติดแกก็ถามลูกที่นั่งอยู่หลังรถว่ารถติดมีประโยชน์ยังไงบ้างรถติดมีประโยชน์ยังไงบ้างพวเรานึกออกไหเด็กก็ตอบว่ารถติดมีประโยชน์ ตรงที่ว่าทําให้พ่อคุยกับลูกเพราะตอนรถไม่ติดพ่อก็มองไปข้างหน้าอย่างเดียวเนะี่ยให้ลูกฉลาดนะแล้วพ่อก็ฉลาดด้วยเพราะเวลารถติดทีไรพ่อก็เอาเวลานี่แหละแทนที่จะใช้ไปเพื่อความหงุดหงิดซึ่งเป็นการซ้ําเติมตัวเองก็มาคุยกับลูกนะเพราะปกติไม่ค่อยมีเวลาคุยกับลูกอยู่แล้วนะเอาใช้เวลานี่นะมาคุยนะเป็นการใช้เวลาเกิดประโยชน์นะ ปเปอร์เผอได้กำไรด้วยเสียเวลานะแต่ได้ความสัมพันธ์กับคนในบ้านแต่หลายคนเนี่ยนะเสียเวลาไม่พอนะเสียอารมณ์นะเสร็จแล้วก็หงุดหงิดใส่ลูกนะเสียความสัมพันธ์อีกนะอันนี้ใช่ไหมที่เราว่าซ้ําเติมตัว อ, อันนี้คือการทับถมตนนั่นจะดูนะดูดีๆเนี่ยเราเนี่ยนะแม้กระทั่งข้อแรกเนี่ยซึ่งเป็นข้อ ง, ง่ายๆเนี่ยเราก็ทํามันบ่อยมาก เวลาทำงานนะเวลาทางานงานก็เหนื่อยอยู่แล้วนะบปกว่าใจเราเนะี่ยรุ่มร้อนเพราะอะไรเพราะเพื่อนมันกินแรงเราจ้องจับแต่เพื่อนที่เขาไม่ช่วยเราอันนี้ก็ซ้ำเติมตัวเองนะอาตมาเคยเคยเล่านะในที่นี้อยู่อยู่หลายครั้งเนี่ย เรื่องของเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง23ขวบ 12-13 ขวบช่องท p วเอนะเขาเชิญมาออกรายการมาเป็นรายการเรื่องพลเมืนเด็กก็เด็กประมาณสองสาคนสามคนเนี่ยมาทำกิจกรรมคล้ายๆเป็นเรียลลิตี้โชว์เรเพื่อดูว่าเด็กเนี่ยเขาแก้ปัญหาอย่างไรก็มีกิจกรรมหลายอย่างนะในแต่ละอาทิตย์แต่ละอาทิตย์เด็กก็มีหลายวัยนะ เจ็ดแปดขวบ้างสิบแปดสิบสองบ้างสำหรับกลุ่มนี้เนี่ยนะผู้หญิงหนึ่งผู้ชายสองก็ให้มาขนของขึ้นรถไฟรถไฟมีเวลาที่แน่นอนท่านต้องรีบนบอกว่าวันนั้นเนี่ยบ่ายวันเนี่ยสมจิตตรงจอหอเนี่ยขึ้นชกนะเพื่อเรารู้จักใช่ไหมฮะสมจิตนักชกเหรียญทองโอลิมปิกถายทอดสดถ้าเด็กสองคนนั้นเนี่ยขนของอยู่ดีๆแล้วก็หายไป หายไปดูโทรทัศน์ในร้านกาแฟาข้างสถานีส่วนเด็กนะผู้หญิงอายุสิบสองก็ขนของก็ขนด้วยความตั้งใจพี่ทีกอนก็เลยไปถามว่าที่ยังไงที่เพื่อนเขาไปดูสมจิตเนี่ยแล้วทิ้งให้เราทำคนเดียวเธอก็บอกว่าก็เห็นใจเพราะเขาเป็นการาสมจิตนหนูไม่ใช่แฟนสมจิตนะ หนูก็ขนของเของเข้าไปผมเข้าสองคนแล้วเนี่ยเขาเป็นแฟนนานๆจะได้ดูสองจิตโชคก็นะหนูไม่ใช่แฟนสอจิตหนูก็ทํางานหนูไปพิจิการก็ถามแยกว่าแล้วหนูไม่โกรธไม่คิดจะด่าว่าเขาเหรอที่ทิ้งงานให้หนูทำคนเดียวตัวตอบว่ายังไงคือตอบว่าหนูคนของขึ้นรถไฟหนูก็เหนื่อยอย่างเดียวถ้าหนูไปโกรธไปด่าว่าเขาด้วยหนูก็เหนื่อยสองอย่างเด็กคนนี้ฉลาดไหมแล้วถ้าเป็นเรานี่เราจะเหนื่อยกี่อย่าง ถ้าเหนื่อยอย่างเดียวนี่ถือว่าเรียกว่ารักตัวถ้าเหนื่อยสองอย่างนี่เราทับถมตัวนะเหนื่อยสองอย่างคือเหนื่อยกายและเหนื่อยใจเหนื่อยกายไม่พอเหนื่อยใจด้วยอันนี้เรียกว่าเอาทุกมาทับถมตนใช่ไหมฮะคนที่รักตัวนี่ก็ต้องเหนื่อยอย่างเดียวเวลาเราทํางานเนี่ยเราก็ต้องถามตัวเองว่าเราเหนื่อยกี่อย่างเราเหนื่อยอย่างเดียวหรือเหนื่อยสองอย่างนั่นี้ความหมายแรกเลยนะไม่เอาทุก มาทับถมตนก็ที่สองผู้เจ้าตัดว่าอย่าละความสุขที่ชอบทำความสุขที่ชอบทำหมายถึงความสุขที่ได้มาด้วยวิธีการที่สุจริตเช่นเป็นความสุขจากรักที่หามาด้วยน้ำพัด น, น้ำแรงของตัวเองไม่ได้โกใครมามีความสุขกับคนรักซึ่งไม่ได้ไปแย่งชิงใครมาเนี้ยอันนี้เรียกว่า สุขที่ได้มาโดยชอบทำหรือผู้สันสวรรสุขที่ชอบทำนะผู้เจ้าเนี่ยไม่ได้ปปิเสธความสุขนะถ้าสุขที่ชอบทำเนี่ยผู้เจ้าบอกอย่าละอย่าทิ้งนะมีเงินมาก็ต้องใช้นะมีเงินก็กลับใช้เงินเพื่อเลี้ยงตัวให้มีความสุขและก็ครอบครัวให้มีความสุขผู้เจ้าไม่ได้ปเปิดเผธเงินผู้เจ้าไม่ไดเปิเผยความสุขบางคนไปคิดว่าผู้เจ้าสอนให้ ให้แอนตี้ความสุขไม่ใช่เลยถ้าเป็นสุขที่ชอบทำยาล ะ, ะใช้มันในสถาบันการเนี่ยมีเศรษฐีคนหนึ่งรวยมากนะได้เงินมีเงินมาเยอะแยะเลยแต่ว่าใช้ไม่ได้ใช้ไม่ยอมใช้เงินเลยใช้ช่วยอย่างตนีตีเหนียวกินข้าวปลายหาับเสื้อผ้าปูป่าดูอย่างกระเบียกระเสียงตายไปแล้วเนี่ยทรัพย์สินก็ไม่มีทายาทก็ต้องกตกเป็นของหลวง กลายไปว่าหาเงินหาทองทุ่มเทมาเพื่อเพื่อหลวงโดยแท้ผู้เจ้ากตันิเดเศรษฐีคนนี้ว่าเป็นเป็นโมฆะบุรุษเป็นคนโง่เพราะว่าไม่รู้จักใช้ทรัพย์ให้เกิดประโยชน์เรามีเงินก็ต้องใช้นะใช้เพื่อให้เกิดความสุขนะยาละนะยัสละแต่ว่าความหมายข้อนี้เนี่ย มันมากกว่า น, นั้นนะคระเจ้าไม่ได้เพียงแค่บอกว่าให้ใช้ทรัพย์หรือให้รู้จักมีความสุขให้รักใช้ความสุขที่ได้มาโดยชอบทำแต่ความหมายข้อนี้มองให้ลึกๆเนี่ยนะนอกจากไม่ละความสุขโดยชอบท ำ, บทำแล้วเนี่ยต้องไม่มองข้ามด้วย หลายคนเนี่ยมองความควา ม, ความสุขที่ได้มาโดยชอบทำนะไปสนใจแต่ความสุขที่คนอื่นมีแต่ความสุขที่ตัวเองมีเนี่ยกลับมองข้ามเด็กนะลูกของเราหลานของเรามีของเล่นเยอะแยะมีกีตาร์มีกรองนะมีกล้องโทรศัพท์มีกล้อ ง, องอถ่ายรูปนะ มีโน้ตบุ๊กมีคอมพิวเตอร์นะมีเลโก้มีของเลืนเยอะแยะแต่เขาไม่มีความสุขนะเพราะเขาค ถ, ถึงแต่ iPhone ที่เพื่อนมีแต่เขายังไม่มีเขาเป็นทุกเพราะเขานึกถึง iPad นะที่เพื่อนมีแต่เขายังไม่มี iPad, นะมมมผู้ใหญ่ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะมีอะไรต้องเยอะแยะแต่ก็ยังทุก เพราะว่ายังไม่ได้มีตําแหน่งอย่างที่เพื่อนที่จบมาตรการเขามีกันเพื่อนนี่เป็นผู้จัด ก, การแล้วเป็นซีอแล้วนะเรายังม่มียังไม่ได้หรือว่าทุกเพราะว่ายังไม่มีรถนะหรูเบนซ์หรือว่า BM นะเพื่อนบ้านเขามีกันแล้ว ถ, ถ้าทุกเพราะเหตุ น, นี้นะก็เท่ากับว่าละความสุขที่ชอบทํา คือมองข้ามความสุขที่ตัวเองมีคุณมีต้องเยอะแยะเนี่ยแต่ทำไมคุณไม่รู้จักชื่นชมมันนะหลายคนเนี่ยไม่รู้จักชื่นชมสิ่งที่ตัวเองมีไปรอคอยไปคาดหวังไปปรารถนาความสุขที่ตัวเงยังไม่มีนี่เป็นความทุกงคนจำนวนมากเลยนะครับมีทรัพย์สมบัติมีความสะดวกสบายมีความสุขอยู่รอบตัวและแม้กระทั่งมีความสุขอยู่กับตัวเอง แต่มองข้ามนะเด็กสาวหลายคนนะ <c oughs> พ่อแม่ก็น่ารักให้ความอ บ, บอุ่นตัวเองก็อยู่บ้านที่สบายนะแค่ไม่ต้องทำงานบ้านเลยกินอิ่มนอนอุ่นนะข้าวของเครื่องใช้ก็มีเรียนก็ดีแต่ทุก นอนไม่หลับเพราะว่ามีซื้อไม่กินไม่บนใบหน้านะอย่างนี้เรียกว่าละทิ้งความสุขที่มีโดยชอบทำเพราะไม่รู้จักชื่นชมสิ่งดีๆที่ตัวเองมีไม่รู้จักชื่นชมความสุขที่ตัวเองมีพ่อแม่ที่อบอุ่นนี่เป็นความสุขไหมนะกินอินน้อง น, นี่ความสุขหรือเปล่านะมีสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่รอบตัวเนี่ยความสุขใช่ไหม แต่ทำไมเขาไม่มีความสุขนะอันนี้เรีว่าละทิ้งความสุขโดยชอบทำเพราะว่าไม่รู้จักชื่นชมความสุขที่ตัวเองมีจริงๆทุกคนเนี่ยมีความสุขอยู่แล้วนะแต่ถ้าทุกข์นะเป็นเพราะไม่เห็นความสุขมีพิธีกรคนหนึ่งเปเพื่อามาแ ก, กเขียนสกลสถึงถึงเพื่อนรักวันปีใหม่เธอเขียนว่าขอให้เธอเห็นความสุขแปลว่าอะไร ว่าเธอมีความสุขอยู่แล้วขอให้เธอเห็นกันแล้วกันพวกเราทุกคนเนี่ยมีความสุขอยู่แล้วนะเป็นความสุขที่ชอบทำแต่ถ้าเราทุกข์เนี่ยเป็นเพราะเราไม่เห็นความสุขที่เรามีไม่รู้จักชื่นชมการที่เรามีสุขภาพดีตายังมองมเห็นหูฟังได้ไม่หูหนวกนะสามารถสื่อสารได้นะเพราะว่าไม่เป็นใบไม่ทิกานเดินไปไหนมาไหนได้ ยังมีพ่อมีแม่มีลูกที่น่ารักนะคนรักเองอยู่กับเราไม่เจ็บไม่ป่วยอันนี้ใช่ไหมคือความสุขถ้าใครคิดว่านี่ไม่ใช่ความสุขเนี่ยลองเจ็บลองป่วยดูนะถึงตอนนั้นจะรู้เลยว่าโอ้โหไอ้ที่เราไม่เจ็บไม่ป่วยนะันสุขแล้วลองพิการดูเนี่ยแล้วถึงจะตระหนักว่าไอ้ตอนที่เรามีมือมีเท้าเนี่ยมันคือความสุขคนแก่หลายคนเนี่ยนะซึ่งป่วยจกนกระทั่ง คือป่วยเพราะความชรานะอายุเก้าสิบบงทีเหยียบร้อยเดินไปไหนไม่ไหนเดินไปไหนมาไหนไม่ได้แต่ก็ยังอยากเดินแม้ว่าการเดินอาจจะมาถึงการหกล้มจะให้นั่งรถเนี่ยจะให้คนเข็นเนี่ยไม่ทำนะฮะฉันขอเดินเข้าห้อง น, น้ําทั้งที่ลูกหลานพยาบาลเนี่ยพูวงว่าเนี่ยอาจจะหกล้มแต่เขายืนกลานจะขอเดินด้วยตัวเอง เพรามันมีความหมายสําหรับเขาเวลาเราทุกวันนี้เราไม่ไม่พยายตระหนักน่าการที่เราเดินได้เนี่ยมันมีความสําคัญอย่างไรแต่ตอนที่เราแก่ชราจนกระทั่งอยู่ในปูนนั้นเนี่ยนะหรือตอนที่เราป่วยหนักจนกระทั่งต้องนอนแบบอยู่บนเตียงบางทีงต้องมัดมือมัดมัดมือเอาไว้เพื่อไม่ให้ดึงสายดึงท่อเนี่ยเราถึงจะรู้ว่าไอ้การที่ได้เดินเนี่ยด้วยเท้าของตัวเองเนี่ยนะ หรือการที่ได้มีมือจับอะไรได้ด้ว ย, วยอย่างอิสระเนี่ยมันเป็นความสุขคนส่วนใหญ่ไม่เห็นฮนะอยากจะมีความสุขจากสิ่งที่ตัวเองไม่มีหวังความสุขจากสิ่งที่ตัวเองงไม่มนะีเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาไปห้างเนี่ยนะหลายคนมีความสุขเพราะว่ามันจะได้สิ่งใหม่ๆที่ตัวเองยังไม่มี คนเราเรอความสุขจากสิ่งที่ยังไม่มีแทนที่จะชื่นชมความสุขที่ตัวเองมีอยู่แล้วอันนี้แหละคือคือคือคือสิ่งที่เป็นปัญหาของผู้คนนะเราละความสุขที่มีโดยชอบทำไม่รู้จักชื่นชมความสุขที่เรามีอยู่ ถ้าเราจะชื่นชมความสุขที่เรามีอยู่นะความสุขมันมาทันทีเลยนะไม่ต้องรอให้ได้โน่นไม่ต้องรอให้ได้นี่นะไอ้เป็นผู้จัด ก, การได้เป็นซี o โอได้รถเ้นรถยนต์ขายที่ไดนะ้มันมีความสุขอยู่แล้วแต่มอไม่เห็นนะมีเมื่อสักสบกิบปีก่อ น, ม, นมั่งมีมี มีนักกีฬาอายุสักสิบ7กสิบเจ็ดนะยังสาวเนี่ยเธอเป็นนักกีฬาทีมชาติชาติไทยนะเป็นนักกีฬาประเภทที่ชื่อว่าคาราเต้โดนะแล้วก็เป็นช่วงที่ต้องไปแข่งไปแข่งซีเกมเมืองไทยไม่เคยมีใครได้เหรียญทองคาราเต้โด ผู้หงคนนี้เธอมีความฝ่ายฝันว่าเนี่ยฉันจะนำเหรียญทองคาราเต้โดมาให้กับเมืองไทยให้ได้แล้เธอก็ทุ่มเทมากนะเธอโชคดีที่มีพ่อนะพ่อที่เข้าใจเป็นโค้ส่วนตัวของเธอเธอกับพ่อสนิท ก, กันมากนะเป็นโค้ดประจำตัวแต่พอถึงเวลาแข่งเนี่ยพ่อไปไม่ได้เพราะว่าพ่อเนี่ยเป็นโค้ดที่ชาติเธอไปด้วยความมุ่งมั่ น, นจะต้องได้ เหรียญทองกลับมาให้ได้เป็นเหรียญแรกของไปได้ไทยเป็นความฝ่ายฝันแล้วเธอคิดว่าถ้าได้มาเนี่ยนะมันจะบรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุดของเธอแล้วเธอก็ไปแข่งนะที่ฟิลิปปินส์ปรากว่าเธอไดนะ้เธอได้เหรียญทองผู้ตัวดีใจมากเลยความฝันของเธอมันบรรลุแล้วตกเย็นเนี่ยก็มีการฉลองกันฉลองเหรียญทอง ร้องเสร็จนะโค้ดทีมชาติเนี่ยก็ขอคุยกับเธอแล้วก็บอกว่ามีข่าวร้ายนะทำใจให้ดีนะพ่อเธอเสียแล้วเมื่อสองวันก่อนอุบัติเหตุแต่ที่ไม่ได้บอกเธอตอนนั้นก็เพราะกลัว่าเธอจะไม่มีสมาธิกลัวจะไม่มีกำลังใจที่จะเล่นเพราะว่าโค้ด ร, รู้ว่าเนี่ยนี่คือความฝัยฝันของเธอนะพอเธอรู้ว่าพ่อตายนี่เธอร้องไห้โฮเลยนะ แล่เธอก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยเหรียญทองไม่เอาแล้วขอพ่อกลับคืนมาเหรียญทองไม่เอาแล้วขอพ่อกลับคืนมาเพราะตอนนั้นเองที่เธอรู้ว่าสิ่งที่สำคัญกวบของสิ่งสิ่งที่สำคัญสาหรับชีวิืของเธอไม่ใช่เหรียญทองแต่คือพ่อไอตอนที่พ่ออยู่กับเธอเธอไม่ตระหนักนะเธอคิดว่าฉันจะมีความสุขได้ต้องได้เหรียญทองซึ่งยังไม่ได้มาเธอเพิ่งตระหนักว่า เหรนยญองไม่มีก็ได้ขออยู่กับพ่อแล้วเธอได้ตระหนักว่าในช่วงเวลาที่ได้อยู่กับพ่อก่อนหน้านี้เป็นช่วงเวลาที่มีความหมายมากเป็นช่วงเวลาที่มีความสูงมากเธอเพิ่งมารู้ว่ามันเป็นช่วงที่มีความสําคัญก็ต่อเมื่อเธอสูญเสียพ่อไปแล้วคนเราไม่จะเป็นยีนนะเราไม่จะเห็นคุณค่าของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนีสองครั้งด้วยกันหนึ่งตอนที่ยังไม่ได้มาตอนที่ยังไม่ได้มาโอ้ยอยากได้เลยนะจะเป็นเสื้อจะเป็นรองเท้าจะเป็น ตดยนต์จะเป็นโทรศัพท์ซีดนะีพอได้มาแล้วนะสักพักก็เฉยๆมนาะไม่คุ้มค่าทีตอนเสียไปนะหลายคนเนี่ยอยากได้ซีดีมากสมัยเต่อตมาสมัยนี้ก็าไม่ค่อยซื้อซีดีกันแล้วใช่ไหมเขาใช้โหลดเอาสมัยก่อนมีคนเพื่อนเขาถึงชอบแย่ชอบซื้อซีดีเพลงมากเลยตอนซื้อก็ดีใจนะพอซื้อเสร็จก็มาวางไว้ตรงนั้นแหละไม่ได้เปิดแล้วนะ ตัวทั้งซีดีที่ไม่ได้ฟังเนี่ยมีเป็นร้อยแต่ก็ยังซื้อซีดีแผ่นใหม่อยู่เรื่อยๆสุขที่ได้ซื้อนะแต่ไม่ได้ฟังนะหลายคนก็เป็นเงี้ยเป็นก็ไม่ใช่ซีดีอาจจะเป็นเสื้ออาจจะเป็นรองเท้าอาจจะเป็นหนังสือนะบางทีอาจจะลดถึงแฟนนะแฟนที่ตอนที่ยังไม่ได้เข้ามาเป็นแฟนนี่โหย้ยมีเขาสึกว่ามีความสำคัญช่วยเรามากเลยแค่เห็นหลังคาบ้านก็มีความสุขนะ แต่พอได้มาเป็นแฟนหรือพอได้แต่งงานกันนะเฉยๆนะมีมีคนเขาเล่านะาเขาชอบเป็งคนนึงมากเลยนะแค่เห็นเห็นหลังคาบ้าน็มีความสุขแนละ้วแฟนเนี่ยเขาขอขอรูปรูปถายจากแฟน รูปถายแฟนนี่เขามาติดไว้เขาก็มาตั้งไว้ในใ น, ในห้องห้องนอนเฝ้าแต่ฝันนะอยากให้ลูกถาเนีเ่น ย, ยเป็นตัวจริงอยากให้รูกถาเป็นตัวจริงแต่พอแต่งงานไปนแล้วเนีอยู่ไปได้สัก5ปี10ปี20ปีนะอยากให้ตัวจริงไปเป็นลูกท่ายเอ้ยเป็นนี่นะมันไม่เป็นเฉพาะคนเนี่ยเป็นกันทั่วนะ <c oughs> คืออะไร คนนีมีความสําคัญก็ตั้งแ่เมือ่อเรายังไม่ได้ได้เข้ามาใช้ภาษาง่ายๆนะแต่พอได้มาแล้วก็เฉยๆแนละ้วจะเรื่อเห็นคุณค่าคือตอนที่เขาเสียไปหรือตอนที่เขาจากเราไปหรือทิ้งเราไปทําไมเราไม่รู้จักเห็นคุณค่าหรือชื่นชมใครที่เขาอยู่กับเราเนี่ยนะอย่างนักกีฬาคาราเต้โดยเนี่ยเขารู้สึกว่าโอ้โหการแลร้วเลิกสมมว่าทุกวันทุกเวลาทุกนาทีที่พ่ออยู่กับเราเปนมีความสุขแล้ว โอเคเหรีทองก็สำคัญนะแต่ว่าถึงไม่ได้เหรีทองฉันก็มีความสุขถ้าเขารู้จักนะชื่นชมความสุขหรือสิ่งดีๆที่มีอยู่ในในที่ผู้จัดตัดว่าอย่าลากความสุขโดยชอบทำนี่นะสำคัญนะฮะมันไม่ใช่แค่ว่าเออมีเงินก็ใช้นะมันไม่ใช่แค่นะั้นมันมีความหมายละเอียกว่า น, นั้นนะ ข้อที่สามผูเจ้าตัดว่าดีนะที่ไม่รับความสุขที่มีโดยชอบทำแต่อย่าสยบมัวเมาในความสุขเหล่านั้นผูเ้เจ้าตัดไว้คือไม่ใช่ว่ามีเงินใช่ไหมเออใช้เต็มที่นะอย่ามัวเมาอย่าสยบในความสุขเหล่านั้นความสุขที่ชอบทำนะมีต้องใช้แต่ว่าอย่าใช้อย่างมัวเมาผู้งายคือวต้องรู้จักประมาณ รู้จักประมาณในความสุขแม้เป็นความสุขที่ชอบทำก็ตามนะมีเงินก็ต้องใช้แต่อย่าปล่อยให้ใจเป็นทาสของเงินนะฮะการที่เราเป็สุขภาพดีอันที่เป็นความสุขที่เราไม่มองข้ามขอบคุณที่ฉันยังไม่เจ็บไม่ป่วยขอบคุณที่ฉันมีพลานามัยอันนี้เราเราชื่นชมความสุขที่เรามีแต่ก็อย่าเสียบมัวมาดูประมาทนะไม่ใช่ใช้ร่างกายนี้เนี่ย เพื่อเพื่อเสริมสุขจงกันทั่งมันป่วยหรือว่ามันเสื่อมโทมหรือว่าเพลินในความเป็นผู้มีสุขภาพดีจนลืมไปว่าสักวันหนึ่งเราต้องแก่เราต้องเจ็บที่พระเจ้าบอกว่าอย่าเสียบมวัวเมาในความสุขแม้ชอบทำก็ตามเพราะมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงแม้มันเป็นสิ่งชอบทำในที่สุดมันก็ต้อง จากเราไปมันต้องเสื่อมต้องเสียไปดังนั้นถ้าเราเสือมวัวเมาเพิ่เพิ่มในวันเนี้นะเราก็จะทุกข์เมื่อมันแปลเปลี่ยนไปกนะารที่เรามีคนรักและเรามีความสุขที่จะอยู่คนรักนะไม่ไปไปเพิ่อเพิ่กับความความสุขที่ไม่ชอบทำเช่นไปเพิ่เพิ่มกับกับคู่รักของคนอื่นอันนี้ดีแล้วนะแต่ก็อย่าไปเสื่อมมวเมลมากนะ ก็ต้องยอมรับว่าตึกระหนักว่าไอความสูตรแบบนี้มันชั่วคราวไม่ช้าก็เร็วยอมต้องสูญเสียมันไปนี่เป็นการเตือนใจนะอย่าประมาทนะเรารึกถึงความไม่เที่ยงอยู่เสมอต้องฝึกใจของเรานะให้ให้ให้เป็นอิสระจากมันให้ได้บ่อยครั้งเนี่ยนะ ไอสิ่งที่เรามีเนี่ยแม้จะได้มาโดยชอบทำแต่ไปไปไประมาณนะเรากลายเป็นทาสของมันรถยนต์เนี่ยนะเราซื้อมาเราดูแลมันแต่ต้องระวังนะทันทีที่เราไปยึดมันมาเป็นของเรานะเราเป็นของมันทันทีเงินท้องก็เป็นกันนะเพชรนินจินดาเนี่ยหลายคนนะึกคิดว่ามันเป็นของเรา แต่เอาข้อจริงนะเราเป็นของมั น, นเงินท้องก็เหมือนกันนะหามาได้ด้วยสุดจลิดเนี่ยแต่ ท, ทันทีที่เราเคี่ยวมาเป็นของเรานะเรากลายเป็นของมันอยู่ในทางเปลี่ยวมีจนมาพ้นเอาเงินมาเอากระเป๋าเงินมาหลายคนเนี่ยยอมตายเพื่อรักษาเงินนะ ขัดคืนต่อสู้เพื่อไม่ให้โจรเอาเงินไปไม่ให้โจรเอาเพชรเอาพอยเอาเพชรนิจินดาไปเอาเอาสร้อยไปยอมตายเพื่อมันอย่างนี้เรียกว่ามันเป็นของเราหรือเราเป็นของมันใชถ้ามันเป็นของเราใช่ไหมเราก็ต้องยอมสละเพื่อรักษาชีวิตแต่ถ้าเราเป็นของมันนะเรายอมสละชีวิตเพื่อมันแล้วหลายคนนะยอมตายเพื่อมันนะไฟไหมเนี่ยโอ้เพชร เพื่อนิงจินดาอยู่ในบ้านเนี่ยยอมที่จะเสี่ยงเข้าไปในบ้านเพื่อเอามันมายอมตายเพื่อมันมาดูดีๆนะไอ้ที่เราคิดว่ามันเป็นของเรานะจริงๆเราเป็นของมันหรือเปล่าเรายอมตายเพื่อมันถึงไม่ยอมตายเพื่อมันก็อาจจะยอมยอมเสียเพื่อนเพื่อมันยอมทรยศหักหลังเพื่อนเพื่อเงินเพื่อทองนะยอมทำชั่วเพื่อมัน อาจจะเป็นเพื่อเงินเพื่อตำแหน่งเพื่อชื่อเสียงอันนี้แสดงว่าเราเป็นของมันนะฮะไม่ใช่มันเป็นของเราที่เป็นเช่นนี้เพราะอะไรพ่อเสียบมัวเมาในในความสุขจากสิ่งเหล่านั้นถ้าเราไม่เสียโมวเมาเราไม่ยอมเสี่ยงหรอกนะที่จะยอมตายเพื่อมันเราไม่ยอมทำชั่วเพื่อมันหรอกหรือว่าเราไม่ยอมเจ็บป่วยเพื่อมัน เจ็บวยเพิ่มมันเนี่ยความหมายเป็นว่าทํางานหนักเพื่อให้ให้ได้มันมาได้มันมาก็ไม่ได้ใช้นะฮะบองคนมีความสุขการได้มาแต่ไม่ไม่ได้มีความสุขการใช้เวลาจะใช้ในเสด็จไดมากเหรือญเงินทองแต่ว่าจะพยายามกุ่มเทเพื่อให้ได้มันมาอายุเจ็ดสิบแปดสิบแล้วก็ยังไม่หยุดนะก็ยังคิดแต่จะหาเงินคิดโครงการใหม่ๆเพื่อที่จะเมฆมันนี่มีหลายคนไปแบบนี้นะฮะเจ็ดสิบแปดสิบแล้ว ไม่ได้หยุดที่จะคิดว่าทํายังไงถึงจะมีเมดเงินเข้ามาแล้วก็ไม่มีเวลาใช้แล้วเจ็บป่วยด้วยนะกินไม่ได้นอนไม่หลับนะอันนี้เรื่องว่าลกุลเป็นเพราะว่าสยบโมเมานะในความสุขหรือในสิ่งที่ให้ความสุขกับเราหรืออย่างเนี่ยพองพองอเงินหายสร้อยหายเนี่ยป่วยเลยอย่างคุณยายคนที่พูดเมื่อสักครู่เนี่ยอันนี้แสดงว่าเขาเป็นของมันนะ มันไม่ใช่สร้อยไม่ใช่เป็นของของยายนัแต่ยายเป็นของมันไปนะเนีเ่เราต้องรักษาใจให้ดีนะข้อหนึ่งข้อสอข้อสามที่พูดมาเนี่เป็นเรื่องการรักษาใจทั้งสิ้นนะ ต, ตอนทีงบอกว่ารักษาศีลดีนะแต่ว่าอย่ารักษาแต่ศีนเพราะศีนเป็นเรื่องแท่กกายวาจาต้องรักษาใจด้วย รักษาใจด้วยอะไรด้วยสติฮนะไอ้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะที่ที่หาทุกข์มาทับถมตนแล้วก็ไม่รู้จักชื่นชมความสุขที่ตัวเองมีสยบมัวเมาในสุขที่ชอบทำเนี่ยนะเป็นเพราะไม่มีสติสติเป็นเครื่องรักษาใจนะสติเนี่ยเป็นเครื่องรักษาใจที่วิเศษมากผู้เจ้าเปรียบสติว่าเป็นเหมือน ยามที่เฝ้าประตูเมืองหน้าที่ของยามคือป้องกันไม่ให้ศัตรูเข้ามาในเมืองเข้ามาก่อความวุ่นวายมาเผาบ้านเผ า, าเมืองนี่ถ้าสติเนี่ยไม่ทำงานหรือว่าสติอ่อนแอก็เหมือนกับไม่มีฐานยามเฝ้าเมืองหรือไม่มีฐานยามที่เข้มแข็งบางทีก็ ถูกซื้อนะพอยักเงินเข้านะก็ก็ปล่อยให้ศัตรูเมืองเข้ามาสำคัญนะฮะเมืองจีนเนี่ยนะเราคงทราบใช่ไหมฮะปักกิ่งเนี่ยด้านเหนือเนี่ยมีกำแพงเมืองจีนที่ใหญ่โตมากนะใครไปเมืองจีนเราไปดูกำแพงเมืองจีนเนี่ยก็จะอดทึ่งไม่ได้มีไว้เพื่ออะไระมีไว้เพื่อป้องกันพวกแมนจูไม่ให้เข้ามาแมนจูนี่ก็ถือเป็นพวกอันารยีย เป็นผู้เชี่ยวชาญในการรบมากเพราะนั้นก็เลยคิดว่าถ้าสร้างกำแพงแล้วเนี่ยนะมันจะเข้ามาไม่ได้มันจูเนี่ยนะไมีปัญญาจะเอาเอ า, เอาปืนใหญ่มายิงกำแพงเมืองจีนให้พังนะแล้วแมนจูเข้ามื อ, อยังไงทราบไหมฮะยัดเงินนะยัดเงินในพลที่ทหารที่เฝ้าประตูเมืองเฝ้าป้อมอ่ะนะไม่ต้องใช้ปืนใหญ่นะแค่ยัดเงินนะนะติดสินบนเนี่ยนะ ก็เปิดเลยเปิดประตูเข้ามปเปิดประตูเมืองให้พวกแมนจูเนี่ยเขามาลยุยจนกระทั่งราชวงศ์หม๋งเนี่ยต้องถังพินนาเนี่ยกำแพงมืองกินไม่ไ้ช่วยเลยนะฮะเพราะเพียงเพราะว่ายามเฝ้าประตูเมืองเนี่ยหรือว่าทหารที่เฝ้าประตูเนี่ยเฝ้าประตูกำแพงนี่นะอ่ะพาพ่แพทย์ต่ออํานาจของศินบนอามิสินจางใ น, นสติของเราถ้าเราไม่ฝึกนั่นก็จะเป็นอย่างนั้นนะฮะ การรักษาใจเนี่ยถ้าเห็นว่าการรักษาใจเปรื่องสาคัญเพื่อว่าหนึ่งเราจะไม่ทับถมตนไม่เอาทุกมาทับถมตนเพื่อที่เราจะได้รู้จักชื่นชมความสุขที่มีไม่ทิ้งสุขที่ได้มาโดยชอบธรรมแล้วก็ไม่เสียบมัวเมาในสุขเหล่านั้นไม่เป็นท่าของสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเราต้องมีสติครัถ้ า, า ม, มีสตินะใจรลอยเราปล่อยวางไม่ได้ เสียงเงินไปแล้วพียังใจ ย, ยังนึกถึงเงินที่เสียความผิดพลาดที่ทำในอดีตผ่านไปแล้วสิบปีพ็่ยังคิดถึงมันคิดซ้ำคิดซราจนเป็นโรคซึมเศร้าก็มีนะฮะมีโยมมีโยมคนหนึ่งแกแกซื้อแกแกขายขายที่ในกรุงเทพนะเพื่อว่าจะได้ตัดสินใจขายที่เพราะว่าคิดว่าเอาเงินเนี่ยที่ได้มาเนี่ยจะได้เป็นทรัพย์สมบัติของของลูก แต่ตอนหลังเงินที่ได้มาเนี่ยปรากว่าสามีเอาไปใช้แกก็เสียใจมากว่าถ้าแจกเก็บที่นั่นเอาไว้เนี่ยปานี่ลูกก็จะได้มีมีสินทรัพย์ที่มั่นคงแกตัดสินใจพลาดนะที่ขายที่แล้วก็เงินก็หัวไปเล่นไพ่แกเสียใจมากเนะี่ยคิดอยู่นั่นแหละคิดซ้ำคิดซ่าจะเป็นซึมเศร้าไปเลยนะเป็นอย่างนี้หลายคนฮะซึมเศร้าเพราะว่าความรู้สึกติดค้างใจกับความผิดพลาดในอ บางคนก็คิดถึงความโกรธอาคิดถึงคนที่โกงคนที่ทำร้ายตัวเองคนที่โกโหกหักหลังคิดแล้วก็โกรธโกรธแล้วก็ความดันขึ้นเผลอๆใส่ลุยในสมองแตกอีกทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นจากการที่ไม่ระวังรักษาใจไปหมกมุ่นคุณคิดกับอดีตหรือมิฉะนั้นก็ไปหมัว ก, กังวลกับอนาคต ใจถ้ามันถ้าเรารักษาไว้ดีเนี่ยเขาจะอยู่กับปัจจุบันนะฮะเขาจะไม่หาเรื่องมาใส่ตัวไม่เอาทุกข์มาทับถนตนในที่เราทุกข์ใจเวลานี้เนี่ยนะแทบจะเรียกว่ารอยทั้งรอยเนี่ยเป็นเพราะว่าไม่มีสติรักษาใจ เ, เราจรึงทุกข์ใจแม้ว่าอยู่ในห้องแอร์แม้ว่ากินอิ่มนอนอุ่นแม้ว่ามีสิ่งอำนวยความสะดทรัพย์สินเงินทองอยู่รายล้อมตัว แม้ไม่เจ็บไม่ป่วยแต่ก็ยังทุกข์ใจรักษาใจให้ดีด้วยการมีสติและถ้าเรามีประการต่อมานะคือปัญญาเนี่ยช่วยได้มากข้อสุดท้ายที่ผู้จะตรัสนะก็คือว่าวิธีปฏิบัติต่อสุขและทุกนะข์นะก็สุดท้ายคือว่าเพียนละเหตุแห่งทุกข์หรือทำเหตุแห่งทุกข์ให้หมดไป เพียงทำเหตุแห่งทุกข์ให้หมดไปคือถึงแม้ว่าเรามีเราทำสามข้อนี้แล้วเนี่ยนะสามข้อข้างต้นแล้วเนี่ยนะมันก็ยังมีทุกข์ที่จะคอยมาเล่นงานเราอยู่ทุกประจำำําสําคาญเช่นความแก่ความเจ็บความพัดพลาดสูญเสียสิ่งเราที่มันเป็นธรรมดา ไม่มีใครหนีพ้นถ้าเรามีปัญญาเห็นว่ามันเป็นธรรมดานะเมื่อมันเกิดขึ้นเราก็ไม่ทุกข์ถ้าเราเห็นว่าอะไรอะก็ไม่เที่ยงเราก็จะเห็นความซ้ำเต็มการที่ไม่ยึดมันเอาไว้ให้มันคงที่ให้มันด้วยความหวังว่ามันจะอยู่กับเราไปชั่วฟ้าดินสลายนะถ้าเราตระหนักว่า ของทุกอย่างที่เราที่ให้ความสุขกับเราเนี่ยมันก็สามารถจะแปลเปลี่ยนเป็นสร้างทุกข์ให้กับเราได้เงินเนี่ยมันให้ทั้งสุขและทุกข์กับเราชื่อเสียงเกียรติยศก็ให้ทั้งสุขและทุกข์กับเราอย่าว่าแต่อะไรเลยแม้กระทั่งลูกลูกของเราเนี่ยก็ให้ทั้งความสุขและความทุกข์กับเราเ้าสอบได้ดีแล้วก็สุขเขาสอบตกแล้วก็ทุกข์ สุขภาพดีเราก็มีความสุขถ้าเขาเจ็บเขาป่วยเราก็ทุกข์นะเราพูดแล้วเขาเชื่อฟังเราเรามีความสุขเขาก็เถียงเราเราก็ทุกข์นะอันนี้เพอะไรเพราะเรามีความยึดมั่นถือมั่นว่าเขาเป็นของเราเป็นของเราเป็นของเราแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเขาไม่ได้เป็นของเราเลยยว่าแต่เขาเลยเราเองเนี่ยร่างกายนี้กายนี้ใจนี้มันก็ไม่ใช่ของเรา สั่งให้ป่วยสั่งให้ไม่ป่วยก็ห้ามไม่ได้สั่งให้ไม่แก่มันก็ไม่ยอมจิตใจนี่เหมือนกันนะสั่งให้ไม่ฟุ้งซ่านหยุดได้ลาฉันจะนอนไม่ต้องฟุ้งซ่านมันก็ไม่ยอมหยุดสั่งให้ปล่อยวางนะเรื่องที่ผ่านไปแล้วเนี่ยิก็ไม่ยอมวางสักทีเพราะมันไม่ใช่ของเราครับแต่พูกนี้เราคือเห็นทุกข์นะเรื่องทุกข์นี้ไม่ใช่ความเจ็ความเจ็บความป่วยนะแต่คือ ความสําคัญม่นหมายว่าต้องไม่แก่ต้องไม่เจ็บต้องไม่ป่วยหรือความรู้สึกไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากป่วยรวมทึงไม่อยากตายความสูญเสียไม่ใช่ปัญหาฮะปัญหาคือการที่ยอมรับมันไม่ได้หรือการที่ไม่ตรำหนักว่ามันเป็นธรรมดาใช่ไหมฮะสิ่งทั้งปวงทั้งหลายเนี่ยมันไม่ได้ เป็นตัวการนะแห่งความทุกข์มากเท่ากับใจของเราลิงเนี่ยนะลิงมันไม่ชอบกะปิใช่ไหมฮะแล้ววันดีคืนดีเนี่ยเกิดเราโยนข้าวเหนียวให้มันข้าวเหนียวแยกกระปิเนี่ยมันกินข้าวเหนียวไปแล้วก็ปรากว่ามันไปเจอกระปิกระปิติดมือมัน มันเกีียกกับปีมากเลยมันทำงานฮะมันก็จอมือเนี่ยถูกับเสาถูกับเปลือกไม้ถูกับหินเพื่อกินกระปีหายถูเสร็จมันก็จะมาดมถ้ามีกลิ่นมันยังถูอีกบางทีถูนะจนกระทั่งนิ้วถลอกมือเป็นแผลเลือดไหลถ้ากิ่นยังอยู่มันก็ยังถูอีกนะจนระทั่งเป็นแผลรบกวาคำถามคือว่าลิงมีแผล เอดว่าเนี่ยฮลิ่มเลือดไหลเนี่ยเป็นพ่ออะไรแล้วคุณจะต้องกะปีไม่ใช่นะฮะกะปีไม่ทําให้ลิ่มเลือดไหลไอคล้ความเกียยกระปีลังหาหงความเกี่ยกะปีลังหาที่ทําให้ลิ่มเนี่ยเป็นแผลความเกี่ยกะปีอยู่ไหนความเกียยกะปีที่ใจถ้าใจไม่เกี่ยกะปีนะั่นมันก็ไม่มีความจําเป็นต้องไปถู สมัยที่หลวงพ่อชาหลวงพ่อชาได้รับนิมนต์ไปประเทศอังกฤษหลวงพ่อชาสุปัตโทนะอาจารย์ของอาจารย์ชาซาโร ค, คราวนั้นเนี่ยก็มีอาจารย์สุมเมทโทไปด้วยก็ได้รับนิมนต์ให้ไปแสดงธรรมแสดงธรรมแล้วก็พักอยู่ที่กลางกรุงลอนดอนตอนนั้นยังไม่มีวัดป่าจิตตวิเวกวัดป่าอัมราวดีวิหารที่ท่านได้พักเนี่ยคือวิหารแฮมสเตดอยู่กลางกรุงลอนดอน เป็นของญาติโยมชาวพุทธนะที่เป็นอังกฤษทุกเย็นเนี่ยก็จะมีการสวมดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็แสดงธรรมแต่เวลาในกันทุกเย็นเนี่ยนะตรงข้ามวิหารเนี่ยซึ่งเป็นผับเป็นบาร์ก็จะมีการเล่นดนตรีการร้องราทำเพลงดิสโก้ทมัยนั่นก็เริ่ ม, เ ร, มเริ่มแท้นะวันหนึ่งเนี่ยนะ ขณะที่นั่งสมาธิอยู่ก็มีเสียงดังมาจากผับบาร์เสียงดนตรีนะปีนะั้ปี200ปี1 2520บิทเตอร์ก็ยังยังดังอยู่ดิสโก้ก็เริ่มเข้ามาเสียงเพลงสารพัดก็เข้ามาถึงในวิหารอาจารย์สมัยโตบอกว่าตอนนั้นเนี่ยนั่งสมาธิไม่มีความสุขเลยญาติโยมก็เหมือนกันนะแต่ผมว่าชาที่นั่งนั่งถ้านั่งสงบมากมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น พอนั่งสมาธิเสร็จเจ้าภาพที่เป็นชาวกรีกก็มาหาหลวงพ่อาชา้องางแล้วบอกขอโทษที่มีเสียงมารบกวนหลวงพ่อช้าตอบว่าโยมไปคิดว่าเสียงรบกวนเราที่จริงเราต้องหาที่ไปรบกวนเสียงนะที่ทุกเนี่ยนะที่โยมทุกเพราะโยมนะไปรบกวนเสียงเข้าใจไมหมฮะแปลว่าอะไรนะคือใจเนี่ยใจของโยมเนี่ยไปทะเลาะบบาแบงกับเสียงนั้นนะ มันดังจริงโว้ยดุดได้แล้วเนี่ยเสียงบ่นอยู่ข้างในใจไอ้เสียงบ่นในใจเนี่ยนะความรู้สึกลบต่อเสียงการไปตะเลาะเบาแว้งกับเสียงนั่นเนี่ยมันทําให้เราทุกข์เสียงไม่ใช่ตัวการนะแต่ใจที่เป็นลบใจที่ยึดติดว่ามันต้องสงบต้องสงบนเนี่ยเพราะจริงๆเหตุแห่งผุกอยู่ที่ใจเรา ใ น, นที่พุทาตัสว่าเนี่ยให้รู้จักนะทาเหตุแห่งทุกข์ให้หมดสิ้นหรือให้ตับไปเนี่ยนะก็คือกลับมาที่ใจเราให้มีปัญญามีสติจนกระทั่งรู้จักระวางสิ่งต่างๆได้เสียงดังก็เป็นธรรมดาของมันเราก็วางใจเป็นปกติวางใจเป็นกลางต่อเสียงนะไม่เปทะเลาะกับมันมันเป็นเช่นนั้นเอง ไอ้เนี่ยเห็ุแห่งทุกนเนี่ยนะสุดท้ายเนี่ยต้องกลับมาติดใจไม่ใช่ว่าหยุดเสียงนั้นนะไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องพูดดีกับเราไม่ใช่ว่าไงาต้องสำเร็จไปทุกอย่างไม่ใช่ว่ารถจะไม่ต้องไม่ติดนะมันเกิดขึ้นใจเราก็ไม่ทุกนะเพราะเราปล่อยวางไนดะ้เพราะว่าเราเห็นว่ามันเป็นธรรมช า, าติอะไรที่ตมาพูดมาก็นะก็เป็นการนาเอาคำสอนพระเจ้าเนะี่ย วิธีปฏิบัติต่อสุขและทุกมาพูดให้เรานะให้เข้าใจนะคําสอนนี้ก็ไม่ค่อยได้มีการนํามาพูดกันเท่าไหร่นะแต่ว่าเอามาพูดก็ดีเพราะว่ามันทาให้เรารู้สึกเลยนะมันเอามาใช้กับชีวิตประจำวันของเราได้นะแล้วมันก็เป็ น, ปนจะเรียกว่าเป็นเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตในการปฏิบัติต่อความสุขและความทุกข์ได้ดีมากและแต่มาชื่อว่าถ้าเราเอาเอาแนวคิดนี้หรือวิธีการเนี้ย ไปใช้ไปบอกลูกหลานของเรานะให้เขาได้คิดให้เขาได้ตำหนักให้เหมือนกับว่ามันเป็นเข็มที่ชี้ของเขาเนี่ยอาตมาเชื่อว่าเขาก็จะเป็นคนที่มีความสุขนะสุขทั้งกายสุขทั้งใจแล้วก็ชีวิตเขาจะมีความเจริญก้าวหน้ามันจะว่าไปมันก็เป็นเป็นความรู้แบบหนึ่งนะซึ่งไม่ค่อยได้สอนในโรงเรียนโรงเรียนก็สอนแต่เรื่องของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์อังกฤษภูมิศาสตร์นะแต่ว่า ไอ้ความสุขไอ้ความรู้แบบ น, นี้เนี่ยมันเป็นความรู้ที่อย่างที่ธรรมาได้พูดข่าวที่แลนนั่นเป็นความรู้ของวิชาชีวิตความรู้ที่เรียนมาในโรงเรียนส่วนใหญ่หรือมาเท่าไหร่เป็นความรู้ที่เป็นไปเพื่อวิชาชีพคือธรรมากินแต่วิชาชีวิตเนี่ยไม่ค่ยได้ไม่คอยได้ได้สอนเท่าไหร่แต่เนี่ยเป็นเป็นเป็นความรู้พื้นฐานนะของวิชาชีวิตเพราะว่ามันเอาไว้ใช้ปฏิบัติ รับมือจัดการกับความสุขและความทุกข์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราได้เอาแล้วก็จะขอพูดท่านนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้เวลาช่วงนี้สำหรับการาทำสมาธิด้วยการเจริญสติกนะก็เป็นช่วงเราที่อยากจะให้เราปล่อยให้ความสิ่งที่ธรรมาได้พูดและความคิดของเราที่ได้สืบเนื่องจากคำบัญญาของธรรมาเนี่ยมันตกตะกอนนะ ที่พูดมาทั้งหมดนี่อาจจะเหมือนกับว่าไอา้ทำให้ใจเราเนี่ยมันกระเพื่อมบ้างเพราะว่าเกิดความสงสยัยเกิดคำถามแต่ตอนนี้ปล่อยให้มันค่อยๆสงบนี่นะไอ้ที่อะไรที่จะยินนั <c oughs> มันตกตกกะกอนซะแล้วก็ถือว่าไอ้การปฏิบัติของเราวันนี้เนี่ยนะ น, น, นอกจากเพื่อประโยชน์ของเราและลูกของเราแล้วเนี่ยนะก็อยากจะให้เป็นการ บำเพ็ญสมาธิเพื่ออุทิศนะน้อมอุทิศเป็นกุศลนะถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะซึ่งตอนนี้พระองค์ก็มีโรคาพยาธิกำนะลังใจของเราก็จะช่วยได้บุญกุศลของเราก็จะช่วยได้และพิธีกันก็เป็นการระลึกถึงนอบคุณของพระองค์นะตลอดเจสิปีที่ได้ทรงครองราซึ่งก็ครบ เจตโตสวดเมื่อวานนี้นะวันนี้ก็ถือว่าเป็นการน้ อ, นอมรำลึกถึงพระคุณของพระองค์ <c oughs> ด้วย